จุดเวลาในชีวิตลูกรักของแม่นอนฉบับที่ 2 เวลา ลูกคือตัวตนแท้แห่งความรักที่บริสุทธิ์ งานของแม่มีเป้าหมายอยู่ที่ลูกเท่านั้น ต้องบริหารให้ดีลูกของเช่นสอบฐานะมั่นคงกว่าเรามีความรู้ความสามารถมากกว่าเราดีกว่าเราฐานะ อาจดีใจที่คือเวลาที่เราเสียไปเวลากับชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันมาแต่ลูกอย่าลืมว่านั่นเรากําลังเสียชีวิต คำนวณเวลากับวิชาให้ลงตัวหนังสือที่เราแต่เวลานั้นตรงกันข้ามเป็นอย่างไร ลูกต้องสะสมความรู้ต้องสะสมความรู้ความดีงามแม่ทุกคนล้วนภูมิใจใน ก็เพราะเป็นห่วงและรักมิใช่เรื่องอื่นใดลูกอาจรำคาญว่า ลูกโตขึ้นแม่เริ่มแก่ตัวลงยิ่งลูกรุ่งเรืองแม่ก็ยิ่งร่วงโรย แม่ไม่ต้องการให้ลูกต้องพูดกับตนเองอย่างเสียใจว่ารู้อย่างนี้เชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ดีนี่แหละคือความเสียใจของลูกคนแล้วคนเล่าขอให้ลูกเร่งเรียนให้เต็มเปี่ยมเรียนให้รู้ดูให้จำทําให้จริง ทำดูให้เต็มตาให้เดินให้เต็มเท้ามือดูให้เต็มตานั่งให้เต็มก้นเดินให้ ความคิดเช่นนี้จะเป็นตัวต้นเหตุแห่งความเฉยชาสุดท้ายก็ถูกทิ้งไว้รังท้ายไข่เขาหมดขอให้ลูกแม่จงมุมานะเห็นคุณค่าของการเวลาเพราะการบริหารเวลาคือการบริหารตัวเราเองคือการบริหารตัวเราเองเอาชนะเวลาได้ก็ชื่อว่าเอาชนะตนเองและชัยชนะที่แท้จริงของลูกอยู่ที่เอาชนะกาลเวลาในแต่ละวันให้ได้ แม่ขอขอให้นอนหลับสบายเถิดลูกรักจดหมายวัน